หตัติยาวิพัตในอัตตมีให้แปลว่าในเห็นตัติยาวิพัตแต่แปลเป็นสัตตมีวิพัตดูตัวอย่างข้อหนึ่งเตนะโขปนะสมะเยนะนี่แหละตัติญาตัวนี้แหละที่แปลเป็นในแหละเตนะโขปนะสมะเยนะอัญญทังโรภิกขุโกสัมพิยังขิลาโนโหติ คะก็เตนโขสมยเยนะในสมัยนั้นแลในแปลว่าไหนเห็นเตนะสมยเยนะให้แปลว่าไหนในสมัยนั้นแหลในสมัยนั้นในครั้งนั้นในสมัยนั้นในครั้งนั้นฮะในการละนั้นเขมีพูดเลยในการละนั้นเนี่ยในการนั้นใช่ไม่ต้องการละเหมือน พิคุพิกสุอัญญ ต, ตังโรรูปหนึ่งรูปหนึ่ง <1 S 1> ครับรูปหนึ่งอัญญ ต, ตังโรก็แปลงรูปอื่นอีกนั่นเองรูปรูปหนึ่งคิลาโนโหติเป็นไข้ป่วยคิรานโนโหติโหติแปลว่าเป็นคิราโนแปลว่าป่วยแปลว่าไข้เป็นไข้ โกสัมพยังในเมืองโกสัมพีก็ในสมัยนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข่ในเมืองโกสัมพีภิกษุรูปหนึ่งในเมืองโกสัมพีเป็นไข่อย่างนี้ก็ได้หมายถึงเป็นไข่ยอยู่ในเมืองโกสัมพี สมเจในสมัยสมมติว่าเรากระโดดจากจากเตน่าโขปน่สมเจแล้วเข้าโกสัมพีอย่างเลยได้ไโดดไปทําไมล่ะครับเอางี้ล้กันความหมายเนี่ยภิกษุรูปที่เป็นไข้เนี่ยไม่ได้อยู่ประจําในเมืองโกสัมพีครับท่านจาเรีกไปถึงเมืองโกสัมพีแล้วก็เป็นไข่ครับท่านจึงเอาโกสัมพีไปไว้ที่นู่นครับ<อ>เป็นไข้อยู่ในเมืองโกสัมพีครับภิกษุรูปนั้นไม่ใช่ภิกษุชาวโกสัมพีร ถ้าใส่โกสัมพียางไว้หน้าสุดนะครับนันแสดงว่าภิกษุอยู่ในเมืองโกสัมพีประจำนั่นแหละไข่ในสมัยนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข่ยอยู่ในเมืองโกสัมพีอัเจตตโรเป็นรูปหนึ่งอาจตตโรเหมือนเอโกความหมายเดียวกัน ถ้าเอโกเนี่ยมันชัดเจนว่ารูปหนึ่งมันคือใครแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ารูปไหนเลยใช้อัญตัตโรเพราะว่าไม่รู้รูปไหนรู้แต่ว่าภิกษุเป็นใข่ยอยู่หนึ่งรูปแต่ไม่รู้รูปนั้นชื่ออะไรถ้าจะใช้อัญจตโรอย่างนี้แหละถ้าไม่รู้ชื่อเป็นอัญเป็นสัพพนามอัญจตราอัญจัมะนั่งไงใช้กับอะไรก็ได้ใช้ได้ทั้งสามลิงใช้ได้ทั้งสามลิง ใช้ได้ทั้งสมลิงไม่เฉพาะปงลิงเท่านั้นลิงไหนก็ได้ใช้ใช้ได้ทุกนามเปลี่ยนสิเปลี่ยนวิเปลี่ยนลิงเปลี่ยนวิพัฒตามก็าสิใช่ต่อไปข้อสองกาเลนะธรรมัสวัณน์ธรรมัสวัง กับกาเลนะนะกาเลนะเนี่ยเป็นนาตติยาแต่ให้แปลเป็นปัญจะใ้เป็นสัตตมีให้แปลว่าในธรรมสวรนังการฟังซึ่งทำการฟังธรรมกาเลนะในการแต่ส่วนมากเขาจะแปลว่าฟังธรรมตามการไม่ใช่ตามการตรัวนี้ให้แปลให้แปลเป็นสัตตมีวิพัตแปลว่าในฟังธรรมในการทําไมจึงใช้คําว่าในการทําไมไม่ฟังตามการรู้ไหม ในเวลาใดจิตถูกราคะครอบงำฟังธรรมเพื่อบรรเทาราคะนั้นนั่นแหละชื่อว่าฟังธรรมตามการที่ใช้คําว่าฟังธรรมในการฟังธรรมในเวลาถูกราคะถูกโทสะถูกโมหะครอบงำเรียกว่าฟังธรรมในการฟังธรรมในการมาลีทํานไมแปลงไงถ้าให้แปลว่าในกาลแต่สำนวนไทยเขาจะไปเห็นตัิยะเขอ่าน้วยโด ย, ดยตามตามการเลย แต่บาลีท่านให้แปลว่าในการไม่ให้แปลว่าไม่ได้แปลว่าตามการฟังธรรมตามการภาษาไทยฟังธรรมในการภาษาบาลี <c oughs> การฟังธรรมในการหรือไม่ก็ถึงวันอุโบสถมาถึงถึงวันธรรมมสวรนระมาถึงการฟังธรรมในวันนั้นถึงเรียกว่าฟังธรรมในการบางคนกำหนดไว้เป็นประจำว่าหนึ่งสัปดาห์ฟังธรรมหนึ่งวัน เมื่อวันนั้นมาถึงก็เรียกว่าฟังธรรมในการทุกวันนี้ก็มีรายการวันพระทุกวันพระมีแสดงธรรมออกทางสถานีวิทยุคมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดทั่วประเทศอะไรอย่างีน้นั่นก็เรียกว่าในการฟังธรรมรต่อไปข้อสามโสโวมมัจเยนะสัทธาโสโวมมัจเยนะสัทธา มมะจเยนะมีคําสนทิอยู่มะมะบวกอจเยนะมะมะบวกอจเยนะมะมะก็คืออมาหะสา์นั่นเองมะมะแปลว่าของเราแห่งเราอจเยนะเอนะตัวนี้เป็นนาตติยาให้แปลเป็นในอจเยนะแปลว่าในการล่วงไปในการเลยไปในการล่วงไป ตัดสนธิมาเป็นมะมะบทหนึ่งอ จ, จเยนะบทหนึ่งโสธรรมวินโยโสเนี่ยนะคือธรรมวินโยโสธรรมวินโยพระธรรมวินยัยนั้นศัทธาจะเป็นศาสดาโวของเธอทั้งหลายมะมะอ จ, จะเยนะอ จ, จะเยนะในการล่วงไป มะมะแห่งเราในการล่วงไปแห่งเราพระธรรมวิไนัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในการล่วงไปแห่งเรานี่คือปัจฉิมโอวาทคาสั่งเสียของพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุพระภิกษุกังวลหลังจากที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่านับจากนี้ไปกี่วันกี่วันกี่วัน เราจะดับขันทัปรินิพานแล้วภิสูุผู้เป็นปุถุชนทั้งหลายเขร้องให้ร้องห่มเศร้า อ, อกเสียใจพิสูจน์ที่เป็นห่วงพระศาสนาก็ขึ้นกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันทัปรินิพานแล้วพวกข้าพระองค์จะถือใครเป็นพระพุทธเจ้าจะถือใครเป็นพระศาสดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละ จะเป็นศาสดาของเธอในการล่วงไปแห่งเราเนี่ยคำเนี้ยฮะภวิสติพตเพราะเป็นอนาคตจักเลยโสโวแ<ว><ว>ปล ว, ว, ว่าตุมเหในตุมหากังโวนะ เมวโนโวโวไปว่าของเธอทั้งหลายโสพระธรรมวินในนานสัทธาจะเป็นพระศาสดาโวของเธอทั้งหลายอัจจะเยนะในการล่วงไปมะมะแห่งเราข้อ C ยิ่จดไม่ทันเหรออย่าไปจดทุกคําสิจดเฉพาะคําที่มันยากศรัทธาอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องไปจดแล้วโสอย่างเนี้ยเขไม่ต้องไปจับไปจดแล้วอ้าวล้วก็เขียนแต่คำธรรมวิมนโยมาใส่ก็พอแล้วโสก็ไม่ต้องไปจดว่าแปลยาวาไไมะมะอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องแปลแล้วแปลมาแห่งเราเร า, าก็รู้อยู่แล้วคาใหม่อย่างอัจจะเยนะอย่างเนี้ยอย่างอัจจะเยนะท่านก็มีแปลไว้ให้แล้วเนี่ย คำไหนมันยากท่านก็แปลให้แล้วคำไหนไม่แปลให้แสดงว่ามันซ้ํากับเมื่อก่อนแล้วเอาดูต่อไปปุงกรัตทิเมนาท่าต่างรัตโถทักขีเนนะวิงรูหัลโกปัิเมนาวิงรูปะโขอุตังเรนากูเวโรไม่เป็นคําของใครของมันอันนี้เป็นชื่อของเท้าจ่าตุมมหาราชว่าเท้าไหนอยู่ทางทิศไหนรักษาทิศทั้ง4ี่เนี่ยเท้าไหนรักษาทิศไหนหลายเท้าเหลือเกิน เมื่อมีสีเท้าก็สีทิศดูนะปรุงรัติเมนะถ้าต่างรัตโถเท้าทะตระรถบางอาจารย์ก็บอกเท้าทศรสอย่างนี้เท้าทะตระรถเท้าท้ต่างรัฐะนเนี่ยก็คือคนทันนะคนทันเทพคนทันอะเทพคนทันปุงรัตทีเมนะก็คือโหติ มีอยู่หรือว่าอธิวัตติประจำอยู่ปุงรัตติเมนะในทิศ ต, ตะวันออกเอนะนาวิพัินีอหละให้แปลว่าในในทิศตะวันออกเติมขิยว่าอธิวัตติเข้าม า, าไม่สิงเขาเรียกว่าสถิตไม่ใช่สิงสิงล <c oughs> ะผี <c oughs> ผีปอบกนะ คิอยู่เอวตนี่ติดยู่ตมเติมไม่มีกิริยาเลยเนี่ยเห็นไหมใส่มาใส่ทุกตัวแหละสี่ตัวถ้าตังกระโถเท้าท่าตรส คือเทพคนทันนะถ้าจะแปลให้ได้รู้ว่าคืออะไรอะ่ะเทพคนทันอธิวตัตติสถิตอยู่ปุงรัติเมนะในทิศตะวันออกอในทิศตะวันออ ก, ออกเอานี้ไงแปลแล้วไงก็แปลเป็นตัวตัวตัวไปเพราะมันไม่เป็นประโยคยาวแปลไม่ยากหรอกร เ, นะอเอางี้ละกันเราเห็นปุรัติเมนะ ทักขีเนนะปัชเมนะอุตังเรนะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทิศไหนเราก็แปลทับศัพท์ทิศไปเลยก็ได้เนี่ยในทิศในทิศปุรัตถีปุรัตถีนี่แปลว่าทิศตะวันออกทิศบุรพางย์ไทักขีเนนะก็ทิศทักษิณปัชเมนะก็ทิศปัจฉิมอุตังเรนะก็ทิศอุดรนเนี่ยก็แปลทับศัพท์ไปอย่างนี้เลยทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกและก็ทิศเหนือ เวียนตามเข็มนาฬิกาไงตะวันออกแล้วก็ไปใต้ใต้แล้วก็ไปตกตกแล้วก็ไปเหนือดูนะถ้าต่างรัศโทเท้าถ้าต่งร ถ, ถ, ถ, งรถเนี่ยนะเป็นเทพพงทันสถิตยอยู่ในทิศ ต, ตะวันออกวิงกว่งรุนหกเท้าวิ่งรุนหกท้าวิกรุนหกเท้าวิ่งรุนหกท้าวิ ร, าวรุนหกนี่เป็นใคร อาทิวสติสถิตอยู่ทักขีเนนะในทิศใต้ทวิรุณหกในใครฮะกุมพันธกุมพันดาฮะกุมพันธ์กับยักษ์เหรอก็ยักษ์กุมพันนั่นแหละไม่เท้ากุเวนเนี่ยเป็นพระเวสสุวรรณท้าเวสสุวรรณกุเวนน่ยก็เป็นยักษ์แต่ว่าเป็นราชาแห่งยักษ์เท้ากุเวนเนี่ยถือว่าเป็นท้าเวสสุวรรณ ทวีดุลทวีดุลนากะเน่กุมพันธ์กุมพันธ์กับเวศสุวรรณคนรัตตูกูลยักษ์ถ้าจะว่าเป็นรัยักษ์หมดเลยเนี่ยมีแต่หน้าแค่นั้นที่ไม่ใช่ยักษ์ยักษ์สามยักษ์เลยคนทันก็เป็นเทพเทพทิศเทพคนทันฮะโอ้ยดูไปตามลําดับ <laughs> ทาํทามนู่ถามนี่กลับไปกลับมาอย่างเนี่ยดูไปตามลําดับให้ครบแล้วก็สงสัยนะ วิ่งรูนหะฮะกทวิรุณหกเท็ตทักขีนเนนะสถิตยอยู่ในทิศใ ต, ต้ในทิศใ ต, ต้เราเขียนมาในทิศใต้ตแค่นั้นนะอธิวัตติทีเดียวมันทุกอย่างอยู่แล้วทวิรุณหกคือกุมพันนะ่ะกุมพันคขาบ่ากุมพันก็คือยักษ์ที่มีลูกอันดาโตเท่าหม้อนะ่ะทีนี้อยากจะรู้ว่าหม้อใบขนาดไหนใช่ไหมท่านบอกว่าคําว่าอีกอย่างหนึ่งครับว่ากุมพันเนี่ยแปลว่าฟักเขียว ลูกอันดาเท่าฟักเขียวหนึ่งลูกสองข้างก็สองลูกนี่ไม่ได้ทำบาปนะเนี่ยไปเกิดเป็นเท้าจกตุมหาราชเนี่ยทำบุญมานะเนี่ยนั้นใครไปเกิดเป็นอย่างเนี้ยเกิดในภูมินี้ต้องเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเอาไม่ยอมกิจทิพนจะไปเกิดไหม อา้าวรักษาทิศตะวันได้รักษาทิศใต้เลยนะคุมทิศใต้ทั้งหมดเลยนะต่อไปปัชเมนะวิ่งรูปักโขเท้าวิ่งรูปักกะหรือวิรูปักอันนี้เป็นนาคะงูยักษ์นั่นแหละเป็นนาคนะนาคะปัชเมนะสถิตอยู่ทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกนะ แล้วก็กูเวงโรเท้าวเวสุวรรณเท้ากูเวนหรือเท้าวเวสุวรรณอุตังเรนะสถิตอยู่ในทิศเหนือเอาถามทีเนี้ยเท้าไหนเป็นเท้าไหนโอ้เล่าไม่ไหวสี่เท้าเนี่ยไม่ไหวไหม <c oughs> ายความว่า เทวดาที่สถิตยอยู่ในสีทิศเนี่ยนะก็คือเวลาใครจะทําอะไรแล้วแต่มักจะมีประตูออกบ้านนสี่ทิศคนโบราณ น, นะจะทํากําแพงเอาอย่างนี้ดูตัวอย่างวัดมหาธาตุเนี่ยมีอุโบสถแล้วก็มีวิหารคดวิหารคดจะมีประตูสีทิศนั้นประตูแต่แต่ละทิศเนี่ยถ้าคนโบราณเขาจะปั้นรูปปั้นของเท้าเจตุมหาโรก บ, บาลเนี่ยสถิตยอยู่ในทิศอย่างเช่นไปทางทาง เมืองจีนหรือทางอินเดียพวกฮินดูนะในอาคารอะไรที่เป็นโบสถ์ฮินดูไปดูที่แถววัดสุทัศน์นี่ก็ได้นะวัดแขกนะ์นะเขาจะมีเทพเจ้าเทวตุมมหาราชนะอยู่ประตูสีทิตยอยู่บนจัว่วหน้าบันประตูเนี่ยเขจะมีรูปปั้นสถิตเอาไว้สถิตยอยู่ทําไมหรือถ้าเยอถามอ่ะให้สถิตยอยู่ทําไมนั่นชื่อว่าจาตุมมหาโล ก, กบาลแ <c oughs> ปลว่าเทพเจ้าผู้คุ้มครองโลกทั้งสี่ คุ้มครองโลกคุ้มครองให้พ้นจากอะไรจาก ม, มาูมานมานในชอบมารุกรานมานชอบแผลอาาเขตจริงๆมานเขาไม่ลงมาถึงนี่ง่ายๆนะอยู่นู่นอยู่สวรรค์ชั้นพระนิมิตวัสวัตตีนู่นจะลงมาชั้นจตุมมหาราชเนี่ยไม่รู้จะลงมาทําไมลงมาอย่างเดียวคือใครจะทําความดีอย่างอุกติลจะลงมาเบียดเบียนไม่ให้บรรลุความดี นั่นหมายถึงเท ว, เทวบุตรมารเท่านั้นนะแต่ว่ามารอีกสี่อย่างอยู่ในใจเรานี่หมดเลยมานอยู่ในโลกนูนเพียงอย่างเดียวในห้ามานเน่ยสี่อย่างก็มีอภิสังขารลมานกิเลสมานมัจจุมานแล้วก็อะไรอะกิเลสมานอภิสังขารลมานมัจจุมานอ่ะคันธมาน นะสี่อย่างมันอยู่ในตัวเราหมดเลยส่วนเทวปุตมานอยู่สวรรค์ชั้นนู้นพูดง่ายว่าเป็นสวรรค์ชั้นรอยต่อจะพ้นจากเทวภูมิไปถึงพรหมภูมิระหว่างเทพกับพรหมนู่นอะยุนู่นอะไม่ใช่จะลงมาง่ายๆไม่ได้ทำความดีอย่างอุกฤษไม่ใช่มหากุศลยิ่งใหญ่จริงๆอะมานไม่ลงมาลาคาญเฉย เป็นสวรรค์ชั้นมารหมายถึงเอางี้แล้วกันนะใครจะบำเพ็ญกุศลได้แค่นะได้แค่ได้สวรรค์สวรสวรรค์โลกกับรูมิโลกแค่นี้มารจะไม่แตะต้องอนะ่ะใครจะบำเพ็ญกุศลที่ให้พ้นจากภูมินี้ไปเนี่ยรู้สึกว่ามารเนี่ยอิจฉาอะไรจะยิ่งใหญ่เหนือเราได้อย่างไรจะพ้นจากโลกนี้ไปได้อย่างไง เกิดมาในมนุษย์ต้องอยู่ในมนุษย์ก็จะมาคอยเบียดเบียนไม่ให้บรรลุความดีถ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเป็นมหาบุรุษหน่อยก็ส่งลูกสาวสามคนมานางราคานางตันหานางอรดีส่งมาเลยถ้าบุคคลทำความดีเป็นผู้หญิงไม่รู้มีลูกชายหรือเปล่ามาสงสัย <laughs> สาวมีลูกชายไหมมาจากมรร า, ธาธ่าแปลว่าตายใครมีมารคนนั้นชื่อว่าตายจากความดีมารก็แปลว่าผู้ทำให้ตายจากความดี ไมภาษาไทยท่านใช้ว่าเวนมันแปล ว, ว่าอะไรเวนน่ะอืมนั่นแะมันแปลว่าวางละแปลว่าครั้งแปลว่าคราวผัดผัดวางละกันมาทําความดีไม่ใช่ผัดกันมาจองเวนผัดผัดกันมามาเวนหรือมาเวน ก็มีอย่างอย่างเนี้ยอย่างเรื่องท้าเวสุวรรณเนี่ยท้าเวสุวรรณใครก็ตามคอยอุปถากรับใช้เท้าเวสุวรรณจนเป็นที่พอใจคนนี้อุปถากดีเหลือเกินส่วนมากจะเป็นยักษ์นะยักษ์คอยเฝ้าอุปถากรับใช้ก็จะให้พรบอกว่าเอาละ่ะเจ้าทําความดีถูกใจข้าข้าจะให้พรหนึ่งข้อต้องการอะไรขอมายักษ์บางตนก็เปรีย้ยอวอปา ข้าขอไปจับมนุษย์กินสักคนเพราะอยู่ในเท้าเจตุมหาโลกาบาลมนะันไม่ได้อยู่สูงอะ่ะมันก็อยู่ ใ, ใกล้ๆกับมนุษย์โลกใช่ไหมขอจับมนุษย์กินสักคนจะได้ไหมทาเวสสุวรรณพิจารณาละเอาเมื่อข้าลั่นวาจาแล้วว่าจะให้ก็ต้องให้งั้นไปได้แต่ห้ามเกินเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็แวบมาก็เหมือนกับเรื่องอายุวัฒนกุมาร<ม>เกิดมาแล้ว ลูกคระห่ า, หาบดีใหญ่เกิดมาแล้วให้โหนไปทํานายว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีจะมีความเจริญยังไงในอนาคตโหนทานายดูโอ้ลูกของท่านจะต้องตายภายในเจวันอา้าววิ่งไปหาหมอไหนโหนไหนโหนไห น, หไหนก็ทํานายเหมือนกันเลยจะต้องตายภายในเจวันเดือดร้อนใจเป็นทุกข์เศร้าโศกไม่รู้จะทําไงอ้อพระพุทธเจ้าน่าจะช่วยเราได้ ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทํานายเหมือนกันเลยลูกของท่านจะต้องตายภายในเจดวันแต่มีวิธีแก้ได้ให้ความหวังนะมีวิธีแก้จะทําอย่างไรให้นิมนต์พระไปสวดปริตติดต่อกันตลอดเจดวันเจ็คืนอย่าให้ขาดพระพุทธเจ้ารู้ว่าจะตายเพราะเหตุอะไรส่วนหัวอื่นๆไม่รู้ว่าจะตายเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้ารู้ว่าจะตายเพราะเหตุอะไรก็คือ น, นี่แหละ ยักษ์ตัวที่ได้รับพรจากเทเวสุวรรณให้มาจับคนกินหนึ่งคนเนี่ยพอแวบมาไอความที่อยากจะกินมนุษย์เนี่ยบังเอิญว่าวันที่เด็กเกิดพอดีอะ่ะยักษ์ตัวนี้เห็นเด็กเกิดเมันน่ากินมันน่ากินเนื้อเนื้อจะหวานเกิดใหม่ๆผมก็ยังไม่งอกแต่มันน่ากิน นั่นแหละข้าหาบอดีท่านนั้นก็มีมนต์พระไปสวดมนต์เลยทําปรำพิธีล้อมบ้านนิมนต์พระไปสวดมนต์เจ็ดวันเจ็ดคืนรูปนี้สวดเหนื่อยเปลี่ยนรูปอื่นเข้าไปแทนสวดไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนอย่าให้ขาดเสียงพอสวดปริตเนี่ยก่อนจะสวดก็ชุมนุมเทวดาใช่ไหมล่ะ สมันตาจักรวาเรสุเนี่ยชมนูนเชิญเทวดาที่สถิตยอยู่ในภูมิต่างๆมาฟังปริศซึ่งเป็นพุทธมนต์เป็นพระสัตธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใครฟังจะให้สวรรค์และนิพพานเทวดาทั้งหลายก็อ้ยอยากจะฟังภาสิทธของพระเจ้าก็ห้อมล้อมมาฟังพระส่วนมนตเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงเหาะมาเบียดเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยล่นล่นลนไปเทวดามาห้อมล้อมเพื่อจะฟังปริศเนี่ย กว้างกินรัศมีถึงสิบสองยอโยอดละสิบหกกิโลสิบสองยดยักษ์ลงมาจะจับเด็กกินมาเฝ้าอยู่เฝ้าว่าเมื่อไหร่เทวดาจะเมื่อยแข้งเมื่อยขาหลีกนั่งนอนหลบทางอะไรเนี่ยนะหาช่องจะลอดแข้งรอบขาเข้าไปเขาไม่ได้เพราะเทวดาเบียดกันแน่นเหลือเกินเข้าไม่ถึงรออยู่จนเกือบจะถึงเจ็ดวันโอตรงรีบกลับไม่กลับไม่ได้แล้ว พอท้าเวสวุวรรณบอกให้มาแค่เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันอยู่ไม่ได้หนีวันสุดท้ายพุทธเจ้าเสด็จเองแล้วก็มาแสดงธรรมโปรดแล้วก็เลยตั้งชื่อเด็กรอดแล้ยนะครบเจ็ดวันแล้วไม่ตายเลยตั้งชื่ออายุวัฒนะและตอนสุดท้ายก็ได้บวชในศาสนาเป็นพระอาหารหันต์ด้วย <c oughs> อายุวัฒนะ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> เข้าไม่ถึง <c oughs> เป็นยังไงรับเดียวใช่ อืไม่มันเป็นคู่เ yeah, ว um, ้นกันไงยักษ์กับเด็กนั้นเป็นคู่เว้นกันเห็นคนอื่นก็ไม่อยากกินอยากกินแต่คนเนี้ อ๋อไม่ทราบเหมือนกันส่วนฐานยักษ์ไม่เคยไปสวดไม่เคยฟังเลยเขามีปรลิตหลักๆเลยปรลิตหลักๆ ก, ก, ก็คือปรลิตมงคลสูตรรัตนสูตรกรณีมเมตสูตรอาตานาติยะสูตรโพชงคสูตรปรลิตหลักๆแค่นี้ อตานติยสูตรเหรออาตานติยสูตรเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นการอ้างเอาอนุภาพของพระพุทธเจ้าอ้างเอาอนุภาพของพุทธเจ้าต่างๆมาคุ้มครองก็เหมือนกับเอ่ยให้คนระลึกถึงเป็นพุทธานุสติพุทธเจ้าองค์นู้นบ้างองค์ง น, ง น, ง น, งนี้บ้างถ้าองค์เดียวอาจจะระลึกถึงไม่พอเอาพุทธเจ้าหลายๆองค์มาให้ระลึกถึง อไ๋ไม่มีไ ม, ม่ในบทในบทสวดไม่มีอ่าใช่ผูว้วิจ้าร จ, จ, จบแล้วสอนกรณีในเมตสูตรจบแล้วเสาร์อาทิตย์หน้าไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรยังหาไม่ได้อาจจะเป็นรัฐธนสูตรเลยดูก่อนว่าจะเป็นสูตรไหนมงคลสูตรจบแล้วกรณีในเมตสูตรจบแล้วมีซีดีมีเทปใครสนใจก็ติดต่อเอาที่หลัง จบแล้ววันเสาร์อาทิตย์ทุ่มสึงสองทุ่มไม่ต้องมาเรียนหรอกอีกอาทิตย์เดียวก็เลิกสอนแล้วว่าสอนมาสองปี <c oughs> มงคลละสูตรสอนปีกว่ามันยาวมีซีดีสามแผน่นประมาณหกสิบชั่วโมงสามแผน่น อ่ะดูต่อไปอ้อไม่ถึงไหนอีกแล้วข้อห้ายังไม่ว่าเลย <c oughs> เยนะพระวาเตนุประสังกมิอ่ะดูนะเยนะพระวา <c oughs> พระวาพระผู้มีพระภาควิหารรติประทับอยู่เยนะในที่ใดในทิศใดในที่ใดสนามหลวงเขาจะแปลเป็นตัิยาเลยแปลว่าโดยทีศสาภาคใดเขาจะโยกว่าเยนะทิศสาพาคเคนะ แปลว่าโดยเลนะยนะแปลเป็นสัตมีครับเยนะในที่ใดเตนุปสังกมิเป็นสนธิตัดออกมาเป็นเตนะบวกอุกกปสังกมิเตนะอุปสังกามิอุปสังกมิอุปสัง ก, ม, งกมิเข้าไปเฝ้าแล้วเตนะในที่นั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่ใดเข้าไปเฝ้าในที่นั้นส่วนสำนวนเขาแปลล้มยะตะเขาจะแปลว่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ใดเข้าไปเฝ้าแล้วในที่นั้นไหนอะไร มิมเป็นอัชชตนีวิพัฒดูนะอุปสรงคกมิมาจากอุปาบทหนา้าสังบทหนา้กากามธาตุสา ม, มาทธาตุไม่ต้องเจา้าละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ อ, อุปสังคกมินะอุปะอุปสรรคอุปะ บทหน้าสังบทหน้าอุปสรรคและอุปปก็อุปสรรคสังก็อุปสรรคและกะมะธาตุกะมะธาตุกะมะติมหิเนกะม ะ, ะกะมะไปว่าไปแล้วก็อีอาชตนีอีอชตานีอีอ <ใน S 1> เป็นอีผลที่มีตัวนีจ ال ่จะมียังไงก็ช้ได้คาแปลเข้าไปเฝ้ามัครับ ถ้ากำมาธาต์เแปลว่าเดินหนีจากผู้ที่เจ้าเอืงกมีก็ปกกแปลว่าไปแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนถ้าเข้าไปเฝ้าต้องมีทั้งอุ ป, ปัตทั้งภาษาถึงจะได้คําว่าเข้าไปหาแปลใหม่พระวาพระผู้มีพระภาคเติมกิริยาว่าวิหารติเข้ามาในที่นี้ไม่มีวิหารติประทับอยู่ เยนะในที่ดใดเยนะฐานเนเลยนะในที่ใดอุปสรรคกมิเข้าไปเฝ้าแล้วไม่รู้เขพูดถึงใครอาจจะพูดถึงพราหมณ์อาจจะพู ด, พ, ด, พ, จจ พ, ดพูดถึงพิคสุหรือพูดถึงใครก็แล้วแต่เรื่องมันต่อกันมาเรื่อยๆไงต้องต้องให้ตรงกันต้องไม่ฐานเน่นะอือุปสรรคกมิเข้าไปเฝ้าแล้ว เตนะในที่นั้นหรือแปลแปลง่ายๆสำนวนโวนหารก็บอกว่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเขาเรียกว่าประโยกล้มยะตะก็คือไม่แปลยะไม่แปลตะแปลว่าใดแปลว่านั้นไม่ต้อง ให้หลือประโยคเดียวแปลทีนี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งเตนะโขปน ะ, ปะนสมะเยนะพิภูยตังโรพิขุโกสัมพิยังคีลาโนโหติก็ในสมัยนั้นแหลพภิกษุรูกหนึ่งเป็นไข่ อยู่ในเมืองโกสัมพีกาเลนะธรร ม, มัสสวานังการฟังธรรมในการโสโวมะมะจัจเจเนนะสัทาพระธรรมวินัย น, นั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ในการล่วงไปแห่งเราวปวงราธิเมนะทะกษะรัตโถ ท, ทะทีเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปะโกอุตังเรนะอุเวโรท้าท ด, รดสรติถ์อยู่ในทิศตะวันออก เท้าวิงรุณหกสถิตอยู่ในทิศใต้เท้าวิงรูปปกสถิตอยู่ในทิศตะวันตกเท้ากูวเวนสถิตอยู่ในทิศเหนืออันเดียวกันเท้ากูวเวนกับเท้าเวสุวรรณคนเดียวกันต่อไป เยนพระขาเตนุปสังกมิพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่ใดเข้าไปเฝ้าแล้วในที่นั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนี่แหละโวหารแปลโวหารอัจจะเยนานะไม่ใช่มัด มะมัดมมอัจจะอะอะอป จ, จัยอัจจะยะแปลว่าการล่วงไปแปลว่าการล่วงไปมาจากอติอุปสัตแล้วก็อีธาติอีธาติ ม, มหิลงอปัจจัย เพราะสละอีของธาตุอีธาตุนี่แหละให้อาเทศติเป็นจะได้แล้วก็สอนจะอะติเลยเป็นอัด จ, จะแล้วก็เพราะสละอะปัจจัยอยู่ข้างหลังอีธาตุก็ให้อาเทศอีเป็นยะได้ส่วนบางอาจารย์บอกว่าวุธิอีเป็นเอแล้วเอเป็นอายะอย่างนี้ก็มีเราก็ทําลัดง่ายๆว่าอีเป็นยะอีเป็นยะแล้วก็อีเป็นยะเรามีสละอะอยู่นะ ต้อลบสละอะหน้าเอาสละะหลังกับสละหน้าลบกันก่อนก็ได้รูปมาเป็นอัจจรยะแปลว่าการล่วงไปถ้าอีให้เฉยแปลว่าการไปนะอีให้เฉยแปลว่าการไปแต่ถ้ามีอติอยู่ข้างหน้าแปลว่าไปเลยอ่ะไปเลยไปเลยอะเลยไปเลยอ่ะก็คือแปลว่าเลยไปแปลว่าล่วงไปก็มีสีอีมาเป็นยะก็มีสละ อติอตินัไงอตินั่นแหละอติแปลว่าแปลว่าเกินไปว่าล่วงไปว่าเลยอติเนี่ยไปว่าล่วงเลยเกินแปลว่าเลยไปแปลว่าล่วงไปแปลว่าเกินไปยังไงอาจจะยะนะดังนั้นในนี้ท่านแปลว่าล่วงไป อใีใช้แปลว่าไปไปอีธาต่อีคติมหิในการไปอติแปลว่าร่วงอติอีจึงแปลว่าร่วงไปอะไรนะย้อนถามเลยอะไรปฏิจจ์อ๋อปฏิบทหน้าอีธาธตตวาปัจจัยปฏิจจะอาศัยใช่ไหม นละตัวอ่ตวาเป็นจะทไมเตัดเป็นเตนะบวกอุปสมิเตนะกับอุปสรรมิเตนะอุปสรรมิ เขียนสังตัวนก็ได้จะเขียนสังก็งงอยู่นี่หนา้าก็ไก่นี้ก็ได้ตัวเนี้ยมาจากอุปาสังกมออีเนี่ยธาตุกมธาตุกมกมเนกมะะิมหแปลว่าไปแปลว่าก้าวไปแปลว่าเดินไปอย่างเช่นจังกาม จังกมะก็ะแปลว่าเดินไปแล้วก็เดินมาไทยก็ทับศัพท์ว่าจังกมะเป็นจงกรมไปจังกมะเดินบ่อยๆเขาว่าจังแปลว่าปูนับปูหนังซ้ําแล้วซ้ําอีกกมะเขแปลว่าเดินแปลว่าเดินไปเดินไปซ้ํ า, า ๆ, า ๆ, ๆ, ๆถ้ามีปางละอยู่ข้างหน้าก็าจะแปลว่า ปรกกะมะแปลว่าภาพเพียนบากบันมุ่งมั่นถ้ามีอนุอยู่ข้างหน้าเป็นอนุกะมะแปลว่าตามไปถ้ามีอติอยู่ข้างหน้าว่าอติกะมะแปลว่ากระโดดข้ามไปถ้ามีมีอุอยู่ข้างหน้าอุกระมะแปลว่าสูงขึ้นขึ้นไปข้างบนถ้ามีอวะอยู่ข้างหน้าเป็นอวะกะมะก็แปลว่าตกลงไปมันแปลได้เยอะ คอ ใ, ใส่อุปสรรคเข้าไปแปลได้หลากหลายตามเนื้อความของอุปสรรคมะพรั ก, ม, ระกะมะพยายามจังกะมะแปลว่าเดินไปเดินมานะ่ะ